มาจังเก็ตอะไรใจะนะนั่งนั่งฟังใจหลักธรรมที่แ้จริงก็คือจิตของเราเองนอกจากนีแล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลย <c oughs> จิตนี่แหละคือหลักธรรมสิ่งที่ น, นอกระจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิต แต่ถ so. ึงขนาดนั้นก็ยังไม่ใจไม่ชิดจิตกันด้วย่าวว่าจิตนั้นไม่ชิดจิตอย่างนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งสิ่งมีอยู่จริงก็จึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียหมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจอันกล่าได้ว่าคลางแห่งคาพูดก็ะดูกถูกตัดขาดไปแล้วพิษของจิดกระโถงเพริขอนครึ่งสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือสุต่ยังนี้อันบริสุทธ์ ซึ่งมีประจังอยู่แล้วในคนทุกคนสัตว์จึงมีความรู้สึกนึกคิดกระลึกกรริกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่านั้นยอมนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกละที่อนอกกคำพูด การเข้าใจอย่อันี้เองเราทำให้ผิดทางายก็มีอะไรมากมายนักการเข้าใจผิดผิดเหล่านี้แหละเราพากันเราพูดไปนอกลู้นอกทางความจริงต่ได้จริงก็มีอะไรมากมายนัก กคือพระสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่ประพุติเจ้าที่ตรัสรูแล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเทศที่ดำต่อยที่สุดสิ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในอกและมแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่าสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพระเท่ากันหมด และทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับกุศลนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับอุศลอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี่ให้สำเร็จแล้คนพศธรรมชาติอันเท้จริงของเราเองได้ ด้วยความขยใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจึจำเป็นจะต้องใส่หามแน่ไต่อย่างใดเลยจิตของรานั้นถ้าเราทางความสงบอยู่จริงๆเปลนขาดจากการคิดฐิซึ่งเป็นการเคลืนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียหนจริงๆตัวท่าของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่าง แล้วเราก็จะได้พบว่า ม, มันเป็นสิ่งดีที่จะจักรูปมันไม่กินเมื่อที่อะไรอะไรในที่ไหนแม้แต่จุดเดียวมันมีไดตกหล่นโสการนั้นอยากว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่การใดเลยก็เหตุที่สิ่นี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้เลยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของคนเรานั้น มันเป็นคารเลือกเป็นกันเลยซึ่งไม่ได้มีใครทนไม่เกิดขึ้นแือไม่อาจจะถูกสลายได้เลยในการทำปฏิทิยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็มันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันมีทําการตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้อม คือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาติิสิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติป่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่เย่ยงไป่านั้นอีกไหมในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็นเหตุหรืผลของการกะ น, นั้น มันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมาได้โดยทางอียตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมนวลทสารนั่นเองแต่เราทราบความเป็นจริงคนนี้เราทางความสงบเงียบชินจอยู่ในภาะวะแห่งความไม่มีอะไรในขนาดนั้ น, น, นพวกเรากาลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งปฏิปุจิเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดัง น, นั้นเราควรเจริญติดซึ่งยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นอุด ดิฉัรเรื่องลึกๆที่นี้ก็คือสังขารดุจจินี้อยมอแล้ก็รวมที่น้เพียงจะทามีร่างแากตามจิตตุนต่างๆมีเรื่องจะนั่งไปสู่การสกิดและการดับอีกต่า แม่นำนข้าสู่การทุกข์เดืดร้านตายของเชื้อโลกและเลาองเราเช่นเดียวกัเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแสดงหาต้องเ อ, อือมเมื่อพบดอกคำสงองวามสุฏาทั้งหมดก็ไม่จุดประสงค์เพียงคอเดียวที่พาตัวเราข้ามขึ้นเพืนเสียจากตู่สู่งคิด แต่เมื่อใดรหยดการคิดของเรได้เสมอแล้วประโยชน์อะไร้อยคาม่ที่พุาสน์หมายก็ไม่หมายความว่าเราปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดทิงประเต่างๆเสียได้ ก็มาแต่ตรงิดเหงาใจคิดจึงมันคิดปจการเกิดกัญหาต่างๆเรื่องการทำให้ร่างจากความคิดต่างๆจึงเริมจะนำไปสู่การเกิดการดับกิจการมเมอมันรปสู่การจบสุดกาจตายสองชั้นโลกชั้นลกหยุดไปอึงชนนั้นเราก็มีการจุนที่จะตั้งมีวิธีปบัติตัวการตรัจดูและอะไรอุปน ong นั้นนั้นหายสิ้เลย บูตอเข้าความทนทับว่าเกิดขึ้นในจักรวาล น, นี้ได้อย่างไไ่าเกิดขึ้นในจักรวาลซึ่งมีชีวิตไมีชีวิตมันก็อยู่ในจักรวาล น, นี้นเองนะ เ, เริ่มแล้ก็ม่รูก้กำังสองอยาันนนในจักรวาล ก่อนที่จิตจะมาจับให้เกิดรูปนะครับคิดออกมายั ง, ไ ง, งกกย ไ, ไงครับก่ล้องถูกตัวนิดหนึับ งานเดิมก็คือความบ้างของสกสารเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตกอที่ได้มีรูปที่นั้นแต่มีนามที่ได้มีนามที่นั้นแต่มีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิกปิริยาให้เปลี่ยนแปลงตลอดกาลและเกิดการเวลาภึ้นรูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้รูปเกินไหวแล้วมันรอบตัวเองตามปัจจัย รูปกระจายได้จองมูลน้ำความร่ากันรองรูปรูปเปรี่ยนไงได้เมื่อสภาวะทำเป็นอย่างนี้สรรคสิ่งของรัฐุสสารในชีวิตและในมีชีวิตจึงสร้างเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเกิดดัดขึต่อสุขนาคิตรูปว่างหยุดนิ่งห้คงทนจนปัจจุบันจาบักหอกเป็นสัจจุบันปจุบันได้จิตก็เกิดมาจากอุปนามของจักรวาลมันเกิดนิ่จิตจิตก็เกิดมาจากอุปนามของจักรวาลนั่นเอง มันก็ร่างกายต้องนข็งก่อนไม่แข็งรู้จัว่าโอนอ่อนได้ตอนเกิดภัยลางนี่ไงแกนี่มี่ทธิ์ชาไม่ไปเจอเลยแต่เป็นชาไม่กับใจผู้บางคนนั่งในตัวตรงเลยเวลานั้นอะไรเราตอนเป็นิานบางคนเอารูบางอีเป็นระวังอาจิตมันคิดมันรวมคิดมันรวมมันก็จุดมันคิดมันเหยียดไปมันก็ยุบไปทันตัวแล้วการสีชาก็งูไปไ ตอันมพรามอยู่ในฌานลูกปล่าแล้วก็อยู่ในฌานจิตมัเข้าปค่อยรวมแล้วะขึ้นมาความณ์พวังนี่ก็เป็นฌานส่วนหนึ่งเนี่ยพรวังทีจิตมันลดไปดูไปจากจิยากไปถึงจิตเลี่ยนมีรูปภาพไปแท่สิบเรียงสิบสองเลยมีอการของฌานนี้มอยูอยู่ในฌานน่แหละ่ก็เวลาเข้าถึงฌานและร่างกายนี่ตั้งของไมู่เนือกระทรงนัฬิก้าว่ากษาสิริสุของ แต่บางคนที่นน ง, นงนี่น ม, มาแค่นั้นเองไม่ถึงชายมนแบบนั้นเรื่อว่าเขาวังใี้เคยน้าแต่คิดไม่ค่อยเวิร์ดแตวจริงคอเรืองแต่แรงานพื้นที่อะไรมันยังอก่อ น, นอานมันไปทั้งทั้งตัวไปจุตของเราดีแล้วทำไมทำ ไ, ไปครับแต่ยึดตั้งตรงตั้งตรงที่ตรงมัมีมมอะไรถามหรือีจะถามอะไร ถามได้ถามได้เลยคือ่เวลาเข้าสมาธิถ้าหากว่าตัวเราต้องใช้ยืนตรงไหนตวเาเวลาเข้าสมาธิถ้ามันแบบเบาเหมือนกับมีร่างกายแวเหมือนลอยแต่เรายังได้ยินอยู่ยืนอยู่เริ่มดอยู่แล้วรูไม่ได้มันลอย บางครั้งก็เบาัก็ลอยแ่ทครังนนี้เป็นกระทะพานกำลังอยู่ในปีติก็เป็นฌานเหมือนกันนะทุกอย่มันลาอย่าง่าปที่เป็นแค่นี้แ้อยู่แค่นั้นไม่ไปไหนเขไม่ก้าวหน้าก็ทำเรื่อยๆแต่ก้าวหน้าไปทำไม่หยุดกะทำเรื่อยๆค่อยก้าวเองเปลี่ยนเรื่องมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยมาอยู่ มันเป็นเม็ดมันเป็นเ่งแล้วไมเป็นอีกยังอินเอรเสียตแล้วก็ทําประกอบรวยัไปก็เปลี่ยนไป็นนถึงยาั้งรานที่แล้วมัอูเงเราเป็นอยู่นกยันแต่ไปไปนเป็นนนนนีแต่เราทำรวยไปไม่้สิสมคิดออกหประกอบวยก็ันายหปาี ไอ้และปัญญาทั้งรำซึ่งแล้วก็ทักดูเองได้ว่าอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาเรจะรู้เองแล้วมันยังอยู่ในมือมืมือมือมันเยอะมากมันโยนโยนมันเยอะกันอันนี้ได้แตกันอันนีเยอะกิดือเยอะิดอย่างนั้นไม่ต้องตามเราไม่ต้องตามเราแต่การมือมืออันนั้นที่สุดเกิดให้ดูที่ของเราแต่ละกัน ล้วต้องการระกัดอนนี้มิตรเหล่านั้นออกมาดูจิตอของเราเจิตสะเทียงโดยสัญญาลึกซึ้งแล้วก็สิ่งเลนั้นถากถี่ไมยอมไปตัดอันนั้นเ่อใจเรวเห็นจิดของเราอย่างนี้แน่นอคุณจัดหลักจิ ด, มดไม่ได้แม้การพาไปตามเรื่องมาเป็นแบบมิตรั้นเราจะเป็นอยหลายคนเหมือนกันนะเราตําการระ ด, ดับใหม่ใหม่กับอันนีิตเหล่านั้นมันจัดสำหรับคน เราเราทุกท่มีต้องการเ้วก็เห็นของเสนอทัพย์ดของเสนอน่าแล้วมีพาไปพิดทางแล้วที่ตัวคนกินเท็นกินนั่นเองกินเท็นกินนันหละเป็นตัวหนัส่วนที่เหมาะส่วนจะกำหนดไปตรงไหนกิกันวาตรงทั้งี่กินเพื่อรู้ว่าจะไหนต้องกำหนดตัวเองตรงนมีที่ตั้งมีที่ตั้งมีที่ตั้งไม่มีตัวไม่ีต่วอะไรตันงไม่มีกาหนดว่าควรจะตร้งไปจุดไหน คือร huh ja> ู้อยู่รไหนตั้งอยู่ตรงนสุดตั้งสุิอยู่แต่นง้นก็ไม่เยอะนะคืรู้นะแล้วพูดในหน้าพูดขึ้นนะพูดขึ้นมัอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงคือรู้บางบางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้นี่ภายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกแบบคืบอะไรตั้งจิตก็มที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้แฉลอยังแฉลบสำหรับเพื่อนนะก่อนให้จิตเป็นสมาธินะก็นด จิตต้งแอกําลัางจิดนะกจิตอินทร์านเดวปีจิตอันนี้ไปได้ดีนวิินอมจัในเดานี่ต้องจิตไม่จิตการมันจิตเหมจิตชุดชัดเด่นโดยกัญญาเนือละแม้กําลังจว่าหวกตามพุทธานั้นเปิดตามอริยมรและอรมณิต่อมาขาตัวเงที่มาเรียบเทีนี่ก็สามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรก ควรจะวางสติบางจิตไว้ตรงไหนขั้งแรกที่เรื่องปฏิบัติก็ได้เรื่องปฏิบัติตรไม่มีอะไรบรกรรมตนเองบริกรรมบริกรรมก็ไมีอะไรพุทโธทำโวยทำโขพุทโธทำโวยอำโขสามอย่างแล้วกับพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวตอนที่ปัจจุพุทโธนั่งจิอยู่ตรงไหนพุทโธนั่นแรกคู่วาพุทโธเน่ยอยู่ตรงไหนอะไรก็ต้องฟังสิ่งผิดตรงนั้นนอกจากนีอยู่สอย่างพุทโธในคูกวานะคือว่าพุทโธอันนี้ คุทธกว่านี่คือพุทโธคือคำบริกรรมตัวพุธในตัวจิตและตัวพุทโธกับตัวพุทธพุทโธว่าพทโธกับตัวพทธเนี่ยเป็นของสิงเดียวกันเป็นกระเื่อมของว่างไม่มีอะไรพุทโธคงมีตัวมีส่วอะไรตัวพุทโธคงมีตัวมีส่วอะไรนั่นในตุวจิตที่แท้จริงถ้าไปหาเห็นตัว่ส่วนนั่นไม่เห็นเทอกต้องเห็นแบบปัญญาอันจริงจังรู้แบบปัญญาอันจร ทพราะน่ะมญานีเนจิตเหมือนนันานรูป <Todo> น <ag tribute> ่ะนะจนไปเพื่อความสงบจนไปเพื่อความจัดจูความจนไปเพื่อความการสวิตลิงเป็นไปเพื่อสัจธรทางทรงอย่ตรงนี้เมาต้องการดูธรรมญาเนี่ยเป็นจิตมันชัดเจนโดยปัญญาเนี่ยรู้นั่นเหล่ะเรื่อการกระไนั่นเราตลอดธรรมญาเราเรารู้ถึงจิตเราจัดจูแล้วมันชัดเจนมันกับกาเนี่รู้อย่างนั้น จำลายเห็นจิตมันต้งไดเห็นรูปไม่จะเห็นจาจตํายจำํายมันเห็นด้วยตนเองมันทุกข์ทุกมาเลยนี่จึงจะจำได้แต่เห็นจำจำเวลาแลาวไม่เห็นในตัวนี้สนาหนาตัวจิตเขาจริงจำเทียนผู้หึงมันมีอยู่แล้วทุกตัวจิตมันมีตัวมีตัวไห่ดอกตัวมันอยู่แล้วมีที่จังเยูะสุดๆแม่จิตจำลายเป็นหลักรับ หาจะหาหลัทฐานบุคคลจึงเนี่ยจหาจิตรอเอหลักานุอยู่ที่จิตจึงทำอะไรก็่ังนีแล้วมืนกันอยู่หลักฐานอ้ไรเลยจิตนี่แหละคือหลักฐานพิจาราผู้ในั้นแหละก็มันจะจิตจะจิตนั้นไปเัวมันเองก็มันคจิตแต่ถึงกัะนั้นมันก็ยังไม่ใช่หนึ่งจิตการเทระกาวาจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่นี้น่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจริงขอจงเลิกลาการคิดและการอัดิบายเสียงจิต เมื่อนั้นร็อาจารย์ได้ว่าแทงทางการพูดจะรู้ถูกตัดขาดไปแล้วที่พังพิษก็ถูกเคิื่งสองขึ้นสิ้นเชิงแล้วจิตนี้คือจิตที่ยังไม่อันเดิมสุซึ่งมีประจังอยู่แลในตนทุกคนจักจงมีความรู้สึกนึกคิดตลอกลสิ่งเล่าทั้งหมดจะดีพระพุทธเจ้าเพราะนั่นเป็นประเพณีศักดิ์ทั้งหลายทั้งสวงจดีเรื่องเป็นข้อหาาธรรมชาติอันนี้ฉะนั้นมีแตกต่างกันเลย การใดการทั้งหลายจะชื่นจากและคิดจิตจินั้นยอมนำอะไรไปสู่การตสร้างกรรมั้หลายที่ควพุทกิสม่มอธรรมชาติแดงควาเป็นสุะดังเดินของเรานั้นโดยกามจริอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่มีสมายในความเป็นตัวตมแม้จะจัดประมานหรือดียวส่งนี้คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่นที่สุแ่งสังข์เนื่อ ว่ามีอะไรเกี่ยวข้อมันสงสัยที่จะเรื่องรื่อเรื่อาวและกการเกี่ยวกนั้นเองดังข้าสนี้ได้ลึกซึดการุตาตรสงรเองซึ่งซึยตรงหน้ารานแบบคือสสุดนั้นในอากาศทนชีวิตของมุดและสมบูรณ์ถึงสุดแล้วมันมีอะไรมากกว่าทีีลา คุณตนอกประจักษ์นั้นแหละนั่นก็ไม่ Wagner, มีหลักฐานใดเลยไม่มีอะไรที่หลักฐานคุณจนอกประจักษ์นั้นแหละถ้าม่นปรจิตการที่กราว่าจิตันไม่ใช่จิตอย่างนี้น่แหละย่อมหมายความถึงิงตัางๆซึมีจริงขอเพยงเรียบร้อยที่จะอธิบายเฉยหมดจิ้งมอนั้นเราอกล่าเรว่องของคาพูด เะถูกตัดขาดแล้วรูปของจะถูกเพลิดเพนขึ้นสิ่งนงแล้วจิตไม่จิตุทธิดอันบริสุทธิ์งมีประจำอยู่แล้วในทุกคนกากต้อมีความรู้จิตเมุ่อจิตทีดส้ายั้งหมดไปแล้วแลปรากฏว่าพราปโนิสับเฉลิม่วนปเป็นของแหงรรมชาตินหนึ่งมีภาษากันเลยตั้งใจสานเฉลิมเปขึ้นจาประชิดจุดจิตนี้ ลมนำเราไปสู parfois, the time, the ่ทารสร้างกรรมทั้งหลายส่วทุกนิดนึงหยุดตั้งแต่แห่งความจริงภาพบงเดินของดำโดยความสูงสุดยาวเป็นสิ่งที่ความหมายในวามสนี้จะสัระมาณเดียวซึ่งมีชว่างเปงนสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตแห่งสิ่งนี้และไม่มีอะไรเทียน มันเป็นสังกิจจภูมิเื่องเดียร์ที่เอเดนละและก็หมดการเปียนเปลงเอ้านข้าวไปสู่จินติในใดฤกษ์ซึ่งตังลืนตาต่อที่นี้ตัวเองจินติจึงอยู่ตรงหน้าเราในลักษณะจิตจึงนั้นไม่อัตราที่เสื่มที่มันมดิ้และสมบูรณ์ของทุกสิ่งไม่มีอะไรนอกจากนี้อย่แง้วนั่นเองนีุ่ราคิดถึง เหมือนกับถูกบีบเข้ามาบีบเข้ามานะครับคือผมเคยครั้งหนึ่ีจนทัง้งมันหมดไปเลยแนละ้วมันออกไปอีกแค่แค่กับมิติหนึ่งไปในมิติที่ น, นุ่งแลต้องเงียบแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีความนึกคิดอะไรเลยเท่นั้นเอาตรนั้นนั่นเหมอะที่หมดความคิดล่ะถึงหมดความคิดอะไรง่ายสิ่งสำคัญง่า ม, มันหมดมันไอความคิดอไอความคิดตัวสนคุดค อาชีพขันั้นเราไปงุ้มกันไปได้แค่เจ้าพี่อาชีพแค่นันขันขันดาวแต่มันยังมีสูนยสูตอ๋อตัวนั้นนะแต่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันอ้มมีอะไรไม่มีอะไรอธิบายมันอยู่เนกลับมันอยู่เหนืพูดแต่มามันการี้หมดคพูแล้ว่เราหลังจากที่ได้นะครับก็เพียรพยายาม แทนที่ว่าจะเกิดอาการอแบบถูกบีบเข้าไปนะฮะ mm hmm. ซึ่งขั้นแร ก, ก่อนนี้จะเข้าไปเนี่ยทรมาณมากคราวนี้ผมกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนกับเขื่นแตก mm hmm. แต่ต้นกบเนี่ยเหมือนกับเลื่นแตกมีน้ําอย่างชนิดแรงมากขนาดเขื่นอยังใหญ่เลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบน mm hmm. อันนั้นเป็นไงครอันน mm ั hmm. ้นตัวนิมิตรไม่เป็นไรคือเป็นตัวแบบ หลอกจิตเราหลอกจิตเอาเตืนตือนนนิดงไผนอมันจม่มันก็ได้ดอกสิงนัก็ดีถ้าเราอยากักมันอยากทำมันออกไม่ต้องดูตามันมันเป็นยังไงเราใส่ต้นดูตามันดูจิตของเราหลักต้นตอมันดูจิตในอาศัยในน้ำขาดอยู่ไม่ต้องมาจัดการมันเป็นอย่างนั้นธรรมดา <ว>เ<อ>าราถูกนะเล่าอย่างจิตเนี่ยนะฮะถ้าอย่างไปนิพพานรมเนี่ยนะฮะพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่ไปนิพพานรมเนี่ยเอาจิตไปด้วยอันนี้หมายความว่าอะไรก็จิตมันไปไอจิตในเรามันไปไปเป็นเพิ่มแต่ราเป็นมุจาจิตในเวลาปุ่นๆแต่จิตในเราเป็นส่วนที่ละทมนั่นนั้นเลยมะจายปในเรื่องนั้นี่จะเป็นส่แลส่วนที่ ไปอลหันนี้ว่าเป็นจิตเอาไว้กัโลอ๋อแ่ล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเ้าถึงอะไหแล้วทั้งหมดความหมายขอว่าอารมณ์ว่างเปล่าซึ่งเป็นช่วงนั้นน ะ, ะเวลาดับจิตเราถึงอาลาหันแล้วะถึงตัเนัยพูดถึงที่สุดที่ทจริงจริงมันกว่าว่าไม่มีอะไรเลือ อนจสุดนะคือประมานปรตจี่เป็นประมาณรูปน้สุดแล้วนยุดยิงยกอันนอีก้ไม่มีอะไรที่ยกจะไปอีกแล้วจิของเราเป็นสม่จึงเราเปนสนึงทำสูสอย่างนั้นถ้าทได้อันนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วครับ ตัวถ้าอย่างนี้ถ้าลรานั่งนีคถ้าพูดถึงถ้าเราอย่างที่บอกว่าให้รักษาอารมณ์ก็คือรักษาอารมณ์ตอนที่เกิดความสงบที่เราความสุขที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละให้สามารถที่จะเข้าไปในอารมณ์นั้นได้เร็วเข้าเป็นอารมณ์ถ้ายไปแล้ ว, ล ว, ลวต้องเต็มเลยไปในเรื่อตัวว่างคุย<ฆ> ม, มีอะไรเดือดเนื้อําพูดเลยมันอยู่เนื้อคำพูดครับมันไม่มากจริงจรมันมอยู่เนื้อคําพูด ใจนี้วางใจใจนี่ออกแก้ยังไงครับใจนี้ออกแก้ยงไงครับงานก็ใจยังออกมาจงไม่จางหายงงไปไม่ตรนจิตไม่จิดให้ตรนจิตเํารนกิตเดาใจมัอกออาจารย์แล้วถอย่างนี้คือของเขาเนี่ยมาตรงข้ามกับผมนะเขาผมถูกดีแต่เขาการเป็นขยายออก แต่ลักษณะอาการที่แข็งเป็นหินนี่เหมือนกันอาการที่หายใจไม่ออกจนเหมือนกับจะขาดใจตานี่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเขาผ่านไอจุดนี้ไปได้เขาก็ต้องเข้าไปในมิติสงบได้นี่ไงถูกแล้วทางที่สุดแล้วใช่ไหมอาจารย์พอใจแล้วจะได้เพียงต่อยานะครับทาให้เกิดยังไงครับเป็นยาครับผม เมิดสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาครับครับกิดปัญญาก็ต้องถากไว้คิดสมาธิแล้วก็ต้องให้จิดเดินตามอาการสารที่สองต้งจะผมคนลบฟันหนังเนื้ออินกระดูกเยื่อเนี้กระดูกน้ำมันหัวใจกลับข้งฝึกเสียใหญ่เสียน้อยอหาใหม่หาเก่าให้มันเดินอยู่นี้เพื่อใจอืมคือเดินทางยังไงครับคือดูอาจจะก็โดยคือผมอยู่บนเจ้าของ ้มึกดูผมผ ม, มเป็นย่างไงอาลักษ์สามเป็นอย่ัไงไครับก็ในหลังลึกไปไกลแล้วก็มันอ่าออกมามันยาวมันเริ่อะไรอืมทำไมมันจึงยาวมันมีที่สิ้นอยู่อืมแครัให้เข้าใจให้ซึ่งตับที่ถึงใจ่ายฝออกมาเป็นอย่างนั้นนี่ก็ขนขโมยการลึกขโมยการดูดูอนันนี้ดูขอมดูดูคอมเสร็จแล้วลการของดูเสร็จแล้วดูเล็บ อยู S <S mm. ่เราก็ทุกทุกเล็บเนี่ยสังเกตเล็บมือเป็นเท้าก็ดูทุกเล็บดูัะคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราฮะทั้งศาสตร์ทั้งจิตจอืงใจดูอาการรักษาะของมันเป็นยังไงก็ดูดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีภาพภาพภาพภาพเข้าใจนะยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งภาพครับอืม ให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอากาเป็นอย่างนั้นให้ดูยปัญญาดูโดยจิตอันลึกซึ้งนะครับดูโดปัญญ า, าแล้วก็ดูอาการสามจิตดูจนทั้งหมดสบายพยานาทีละอย่างละอย่างครับอืทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปเพื่อจะทําสมาธิของเราให้มีกําลังและสติให้มีกําลังเสดอืมดูเสร็จแล้วหมดอาการสามจิตสองไปแล้วแยกกิตแยก แยกถอนผมกองหนึ่งกองนึงครับถอนแลไปกองหนึ่งปั้นไปกองหนึ่งกองหนึ่งกอหนึ่งทำทาได้ือทาโดยโดยจิติมันทาได้กองมดุกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูมดุกองแล้วก็ให้ดูให้เบิกคำถึงอนิจจังสุคังานาตาห ในจิตทำไมรู้จิตว่าทุกครังนี่ทุกขังอนนีจังอัตตาลักษอนนีจังทุกต้งอัตตาใจเห็นสึ้งาบในจิตมันเหมือกันละดูจิตทุกครั้งถกต้อน่จะให้ดูดูอาการนองจิตละทั้งสมทั้งสามหลับนะเดี๋ยวกายหลับอนนีจังถูกต้งอัตตาจิตมันเป็นทุกครังมันเป็นยังไงดูรับดูอาการจิต นาการจึงเป็นนี้จังมันเป็นยังไงเปนหน้าน้าตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจเข้าใจชัดเจนโดยปัญญาครับอย่างเช่นจากพิจารณาเป็นจากสมุปบาทนี่จะเป็นขั้นปัญญาเดียวกันเอาน่ไม่ตัวการปัญญาทํำปัญญายห้เกิดครับปฏิจจสมุบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมาย มีิจาาสังขารใหพิจารณาสังขารนาวิชานาวิชานันเป็นจม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งกังวและใครรู้ดังตัวอวิชานสก่อนตัวอวิชานคิดข อ, องเรเป็นยังไงแปลงกายอวิชามันเกิด น, นั้นมันเป็นอย่างไรดูอาการเขา ม, มนในพิจารณาที่อื่นดูทวิชาใดนี่แปลงกายไม่ได้นะ ตังแต่อวิชชาพิกิยสังขารสังขารปิิยาดูไปํามระบไปเทติจึงวะถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นเฉลี่ยไปมันยาวไปี่จิงห์ให้เห็นออวิชชาในชั้นเฉลี่ยเดียมันดับอาจารับไปมันดับเองมันเป็นรับไปแวบเดียวไปมนหมดแล้วทั้งทั้งอวิชชาทั้งหมดท่านผิดหอมันดับไปเรื่อยๆ ลบบไปออเองเอตอนนี้วิธีที่จะอพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาอย่างไงครับเพราะเหมือนกันเหมือนกันก็เวทนาสังญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปเะก่อนดูรูปก่อนอื นักการเวทนาสัญญาสังขารวิญาในการ็รผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงดูรูปก็ดูที่วางผีให้รู้จกรูปเสียก่อนัวกรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาดูไปตามเรื่องเสก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยงไงสัญญาเป็นไงสังขารเป็นยงไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดลดูลักษณะก่อนยังจิังหมดจิตอย่างละ มันเป็นทางทางทางหานะมั น, น, มนจนะเกิดคําถามคาตอบเขาในติดนะครับมันมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงครับมันรู้ถึงความเป็นจริงเออตอนนี้ตอนที่พิจารณานี่แหละครับผมนก่จพิจารณาอย่างนี้แหละครับสมมุติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมุติเราสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยอยู่ในตัวเขียมาพิจารณาอยู่ในสมาธิให้เกิว่าที่เป็นกระมังให้พิจารณาให้ เมฆก็บรราาเกิดจากอะไรตพิจารณานี่เรามไม่ต้องยึดทุตโธมาได้ไม่ต้องกพิจารณาเรื่องยึดเอราไม่ต้องยุดบารกรรมไม่ต้องยึดวางหมดดูให้รู้ให้ลึกสึส้งซาถึงจิตถึงใจเลยอือทีนี้ถ้าจมาพิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนมาไม่ไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผ ม, มว่าประคองจิตให้อย่ปรองจิตใสติสติสติสติสติสติติสติสติสติัติสติสติสติสติสติสติสติสติสติสิ ส, สิสติติสติสต ในสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ทุ้มความเป็นจริ ง, งอืมถ้าเราขาดสมาธิแล้วไปบัตดเราเอาข้างน อ, อกมันไม่ถูกมันย้ำถึงความเป็นจริงแต่ เ, เราข า, เาดเนื้อไดก็ไม่ได้ความคือเรารู้มันหมายความเรารู้ถึงจิตใจญญาดูอาการปัญจจารย์กันดูอันหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันกระดูทั้งหมดมันเป็นท้งแค้เมตาใจ ร, รวมบา่าง <c oughs> <c oughs> Caesar, <S S เมื่อเราดูรูปเวทนาจัญญาสังคัญวิญาณเข้าใจในในในจิตขอเราอันลึกซึ้งแล้วก็อืให้รวมว่ามุนธาทั้งห้ามุนธาทั้งห้าคือเวทนาสัญญาสังคัญวิญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดครับของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจึไม่มีอะไรแยกออกแยกออกจากกัน มันในเวลาอยุมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่กอ่การชุบเวลาใหญ่จน้นหมดรูปแม้จนหมดรูปติดของเราไปถึงที่ว่างที่ว่างนีนหมายความว่าหมายความไม่มีอะไรมัุอยู่แม้เท่าเส้นคนที่เล็กที่สุดอยู่ในของหวานมันกังกาอากาศอะไรที่ได้มันเหมือนกังกาอากาศที่ว่างถึงมันตกังกาอากาศมันมีอะไรมันจุได้นานกาแม้เส้นผมที่เล็กที่สุดอยู่ในกายก็มจุไม่ได้มันตล่าว่างเปล่า แล้วคิจะเป็นยังไงครับหอจะยี่คาที่ว่ารูปดับนามกระดับนี่ไอ้น้ำรับพร้อมกันน้ำก็คือเวทนาสัญญวทนาสัญญาส้ายีการรูกหอคือรูปนี่แหละแต่รับแล้วับพร้อมกันครับไม่เวทนาสุดทายรับพร้อมกันไอ้น้ำดับตอนนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ตกไม่ปรุงแต่งนเหมือนกันไหมมดสังขาร หมดสังขารอกช้ใการ็หมดหมดคัามคิดหมดความคิดนิดการปรุงแต่งหมดการุงต่หมดการบุตรปรุงแต่งไม่มีเกวันนั้นหมดสิ่ารเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกวัานั้นน้ดับน้าดับคือไม่คิดน้าดับไม่คิดหมายถึงว่าคือไม่คิดยุดคิดน้าดับยุดุติมัหมดทั้งลุกฎีน้ำยุดแต่ประหมดทั้งรุษอย่างเดีว่า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 ความก็ยึดในนัน้นละคามอยู่ในอันยึดมั่ยก็ยุดยึดและะ้วก็ไม่ไม่มีตัวมีจนอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วจะด้วยเห็นตัวเห็นตนไม่มีแต่สมัยยึดถือตัวต น, <ำ S 1> น <ำ S 1> ไม่ยึดถือรูปถือนามไปหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทําการตัวตัดใจนี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นให้แบบทั้งรู้ไปตามธรรมชาติครับผมแต่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติจิตไม่เกาะจิตไม่เกาะ ไม่เกาะงสายส่พวงแล้วนีไม่เกาะเลยครับผมนั่นนั่นอวางเปล่าครับว่งไอตัววางปล่าช่น่เนียรูปดับนานกะดับตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว้างฮะยัวตัววางตอนนี้ก็เรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะและปาเรียกว่าเรียกว่าตัวเป็นน่าธระที่สูงชตัวตรงนั้นตัตัวรรมที่งสุดตัวน้าที่ใช่จริงตัวตรงนั้นใช่ตัวนั้นใช่จริงครับคือ เรียกว่าใชชื่อกระดาษไม่มีชื่อแต่ว่าจะใ้ชื่อสมมติที่มาชื่อหนึ่งครับนี่ชื่อว่านามกายนามกายชื่อว่านามกายนามกายคือคือชื่อว่างนั่นีงว่างว่างางชื่อมัน่างเปล่าอย่นี้อะไรเป็นชัอยู่ในคงามวางแค่นิเดียว ถึงแม่ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะอาจะเชิงคิดจะสามบทสร้างสรสาวิหารและธรไปตามธรรมชาติมันทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่แต่จิตไม่มีความเล่า้อมม่มีฟิ้ถืออะไรไม่ยึดถือครับทำแบบกะไรไปครับผมเดีวยืนอยู่กันุสกัดตุ๊ตุ๊ใครับพระปัญญาพปัญญาขอเราถึงแล้วทำศักดิ์ธรรมครับผมไอ้ตอนนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมคไม่ไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับ ตัเวร์บางทีคนนี่ปฏิบัติก็มักจะบ่อยนิ่งกันเฉยๆแล้วก็นั่นนั้นมันไม่เป็นขั้นอะไรเลยมันไม่เอานิ่งเฉยๆอันนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติปรากฏมาว่าจะไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอะนิ่งเฉยๆเนียอันนี้นี่ไม่เฉยๆเฉย็ไม่ได้ไม่เฉยๆไม่ได้มันรู้มันก็มันมันครอบไปหมดแล้วรู้สัต่ว่ารู้รู้สัแต่ว่ารู้แล้วมีแตอะไรก็สามอย่าง ก็คนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้ไม่รู้สภาวะหรือหรือเป็นบาปดาเอาไปคิดเอาไปใช้ชื่อเอาเองมันไม่ได้ครับแล้วนอกจาแบบว่าที่ร่างกายเป็นยาเป็นยามนเป็นยาามเป็นสมาิมันรู้ถึงความจริงแล้วพอรู้แล้วมันมดมดความสงสัยครับไม่ต้องไปทํามใครประเด็นเรารู้เองทั้งข้าวทิ่ชาจะไม่รู้คูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้เราคล้าจิตนี้ครับผม นี่คนมาติดตรงนี้ครอะผมพราะปฏิบัติไปได้มาเกิดความสว่างเฉยเฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไงเพราะไอสว่างตัวนี้มันสังหยุดระดับยังไงไอสว่างตัวนี้คือมันระดัแบบโอภาษอโอภาษ์สฉลี่าสองขัรนเราใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เราจะแก้อย่างไงครับดูจิตดูจิตใช้เวลไปจิตมันไปเสียอาอออไปเสียทุกสิ่งที่อยากกินออกเสียนะ ถ้าไม่รู้ถึงกิจข้าก็รู้ไม่ถึงว่าไปลงอะไรสิ่งอย่งน้นเือกรูเคียงองหลงไปหลงกุนเอาไปจากันหรือป็ลูกเทวดาถึงอยร่เรตถึงอะไรโนไปเชนมั่นเสนให้เจ้โอภาตี่นี่มันให้ลำฉันและเราไม่เคยรู้หมมันรู้เราไม่เคยเห็นเลยแม้ไปหลงเอาเลยร่วงกับลูกอย่างนั้นนะครับ ตอนนี้ที่เห็นแต่เห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงคับพี่มาดูจิตมาดูมดูจิตดูจิตได้สิ่งเหล่านั้นข้าพี่อ๋อมต้องรมาตพิพัฒ์มากพี่ตาอตอมันยังต่อตอมอยู่ีิจิตดีจตจงวดที่มัเอาไปปูนแข่งเงินปูนนี้ครับมีเอาไปเรื่องปูนแข่งอย่างนี้ก่อนเราก็มาเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่าอจิตแล้วกหนดูจิตเลยครับแล้วจิตดูจิแล้วครับนัจิตดูจิต ไม่ต้องกะปรอะไรโยามปฏิแมันขาดเออะไรท่อย่างยมันจะม่งมันดัรู้ถึงความจริงแล้วก็มันหมดันหมดความสงสัยแต่าต้องรู้ถึงถึงความริดยโดยปัญญาอารยธรรมแยกยุทโเองมแก็ไม่มีอะไรมากมายจุก พูดทั้งตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครัไม่ไปบังคับไม่แต right? ่อะไรมันไม่บับคับแล้วจะแบบวันตื่นเราต้องบริการจิตอเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรบริการบริกรรไม่เอาร่างมาทุ่มทูลทันทีที่ทุ่ทูลนั้นฝังยู่ใจิตในหัวใจครับเราไปเขียนด้่นในหนังก็ได้ก็รุทูลทุทูลทุ่าทจิตเป็นผู้บริการมครับมันจิตเป็นผู้ว ไม่ต้องว่าก็พอสติของเรงาผ้วผัวผู้ทอยตรงไหนตามสติตรงนัน้นแรบิผู้ บ, กบดกรบังบดกเรไปครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายว่าการที่เห็นแสงเห็นโอภาษเนี่ยก็ญญอันนี้มันเปจังเนี่ยครับในหลับสมาธิมีอยู่อยู่ในว่าหลักที่ว่าจิตตรงออกนอกไปสมุทัทยใช่ไหมครับมันจะแก้ยืนได้คิดไปยึดอยู่ไปเที่ยอยู่นั่ะ แเราจึงพาไปเห็นอะไรเราไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดโอกาสอยากเห็นอะไรไเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองหรือว่าสิ่งที่แปลกๆมันไม่ตันรู้แปลกไอ้คือรู้ที่เราไม่เคยรู้เพื่อนเราไม่เคยอยากหเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรไมัรู้อันนั้นมันพุดขึ้นมาให้รู้นะไอ้สิ่งพุดนั้นตัวกิเลสทั้งหมดเลยครับผมไม่ใช่จุดจงๆนั่นเราเปลีป่ยนตัวเราแล้วการคิดของเราจะไปยึดไอ้สิ่งให้เรา งาที่พีเหนนเข้าใจเป็นตัวจริงเข้าใจเข้าใจพออย่างนั้นเองขายเป็นตัวจริงตัวจริมนี่ใช่ตัวจริงทุกตัวกิเลสถ้าเป็นของอะไรนี้นทุปัจฉิมุขทุกปัจฉิมุขกิเลสปัจฉิมุขคือมุจาริปัจฉนาคือปัจฉิมุขทุกตกิเลสมีตัวกเลสขาดมีใจคนจท้งหมดเลยของไายนอกเละถาถ้าเราจะตัดมัน จะนั่งไกเต้นตอมันอยู่นี่ไม่รู้จิตั้งจิตหรือไม่จิตวาอะไรมาขาดนปไตอบไม่ตอกสติสติิตแล้วตั้งจิต่จิตเพ่งจิติแล้วก็ตั้งสติอนีเห็นิเยนน้าดเห็นก็หมดเปลือกันไปล้วขาดอะไรหดหมายความวิธีเรารูไปเห็นตามมนหมายความาเราไม่รู้เท่ามันแล้วตมันโลกเรื่องไป เราโยางไปแล้วใารจาะความเปม็นิยิ้งกไปตามมันแล้วแต่เมื่อไรแต่ผมจะสอนใช่ใช่เมื่อไรก็จะถอตามมันทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นบ้าครับถ้ า, ถ, าถ้าวางไม่ได้เป็นบ้าใชเป็นบ้าครับหมอแต่ทีนี้มีปัญหาบางคนฮที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไงอยู่ในปิติมทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมด พิจิตรทั้งหมดนี่ตกับพิจรการเปลี่พิธิตรมีหลายยาการตกับพิจิตรเรองี่โอเคไหมตกับพิจิตอะไรนะมันลอยไปนั้นนี้ก็นี่คือยังยังเอาไล่ไดนี้ถ้าจะแก้ก็บอกมาให้เกิดติก็ดูในจิตกับมนุษยจิตนําเดียในจิตทั้งจิตจีอันนั้นก็ะาำไป้อความจิตเขาดอยู่เนื้อเนือเนือพิจิตรนั้นอีกทอยู่นื้พิจิตรนนั้นอีกครับจริงไนี่ทำอยู่เนือทั้งหมดเลย นี่มัขาดีม่มีอะไรเรื่องกา ร, ราสิ่งเหล่านี้มันมันยากมากเพราะว่าอสมาธิมันไม่มีตัวมีตัวอะไรแล้วก็แต่เมื่รใจรู้จิจริงมันก็ต้องนั่นละ่ะเมื่อวานในเรียนมันซื้อไหครับผ ม, มเรียนถามอ่ อ า, าจารย์แท้แต่อานารย์ท้บอกว่าให้นั่ ง, หงให้จิตปัจจามาตรีเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดนมาเองปัญญากเกิดจากสมาธิครันะครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาอะไรถ้าพิจารณามันนี้เป็นการเอะไรข้าวสัญญ า, ญญาะละชัยคือพิจารณ า, า, าจิตนี่แหละพิจารณาพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคืจิตรู้จิตถ้าเรารู้จิตชัดเจนหมดปัญญาไม่ต้องรู้อะไรอีก อะไรก็อย e ู่นี qui ่คิดอไรหมดใหรู้จิตอินทรีย์แม่แม่ใจของคำต่างนะมันเป็นอะไรมากครับสรับสนุนตอนชุมไทยได้ทั้งหมดอะไรสลตว์อะไรประมาณนี้เคยไปพูดไปแล้วอยู่ในหนังสือกมีครับมี่น่าจิตสงออกนอกตัวสุมไทยนะครับอยู่ชุมไทย ผลของส่งใจเป็นตัวทุกขผลทีเจริญสงนอเป็นทุกข์ผลเห็นจิตแย่แจ่มแจ้งเป็นนิโรธจนจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคจิตเห็นจิตเปตัวมรรคผลของมรรคเป็นตัวนิโรธผลของมรรคเป็นตัวนิผลเห็นจิตเห็นจิตแย่แจ่มแจกตัวนั้นเป็นตัวนิโรธเป็นเห็นผลผลเห็นผลหรือิดที่เห็นจิตเห็นหนเนี้ยเป็นตัวมรรคการเห็นเป็นตัวมรรคเปลี่ยนตัมรรคครับแล้วก็ดับมรรคอันนี้แหละเป็นเป็นผลนะ เป็นนิโรธเป็นตัวนิโรธเป็นดับทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่ได้ผนี่ผลนี้นะเหตุของเหตุของนิโรธก็คือเองนโรคือตัวอไริมันก็คือสมุทัยสมุทัยเป็นเหมือนนิโรธเป็นผลผลของของสมุทัยเป็นตัวทุกข์ นะผลของของมาคืดนิโรธครับอคำจิตดูจิตหมยความาเอาสติดูจิตระจิตไหลรู้จิตก็คือไรู้รแล้วก็ตั้งสติให้อยู่เนนั่งให้อยู่กับพสติรื้อรออยู่เนจิตกับสติเตั้งจิตยินจิตอเป็นอันเดียว การคิดกับรเป็นของสิ่งเดียวกันมีแตกต่างกันเลยการแตกต่างหลายเกิดขึ้นจากการคิดผิดๆนั้นยกน้าเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายจักงปงทุกทนี่ไม่หยุดยังใจเรเข้าจผิดเอคือสร้างกรรมให้สินสดแต่ิดในจิลตนารมันขาดมันมันมันตัดขาดไปมแล้วคิดใสาารันหมดแล้ว นู้ดีเสร็่ตัดกิเลสกัญหาปาทานหมดคือพระอรหันเนี่ยครับผมยังจิตจนนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผมก็อยู่เียังไม่ไปไม่มีปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นไม่มีปรุงแต่งครับแม้แต่ละสังขารน้จิตนั้นโดยสัจจธรรมสัจจธรรมคือจิตของเราจรสัจจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากาลังลงผิดอยู่ในวิชา และไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการกลับสรู้ทั้งเดียวนี่แหละอธิชาเกิด ต, ตัวนี้รู้ขึ้นเกิดตัวนี้รู้ครั้งเดียมันเป็นธรรมชาติแห่งภูตะาตาจิตใจธรรมชาติอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแห่งภูตะาต า, ตาคือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอสัจจะของเรา มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จจุดกระตุน้นมัเปลีนบางขอขอไทยกับไม่มีทั้งคิดไม่มีทั้งไวิชายิ้มิมไม่ได้คิด ก็ค uh. ิดอยู่ต uh ัวคิดเองเองตัวยึดกับมัดม yes ัดมดหยิกมดคิดเใช่ไหมครับผมอ้าจิตมันอย่างนี้หืดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมอวิชามันก็อยู่นี่นะมันก็แต่จิตมันเป็นจิตมันลงคิดไปตามอวิชามันก็อยู่นี่นะอยู่หรืกว่านั้นครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลงถูกอวิชากลอบมงามอวิชาจะจุ่มใส่จิตก็จุ่อย่างไปได้ยืดทัองหลอดหลอดเปิดยืดอสจักที่นะ แล้วเรามปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงจึงเลมีความเกิดซึ่งมเนียเธรู้จักรู้ครับจนมีเป็นปุถุสุขะสุขเขาจางไปมดไปพระบ้อเคยเขห็นเรื่องหนึ่งเลยว่าจิตเขาบอกนึกว่าจิตแท้แล้วก็จิตรับที่รับอารมณ์ต่างๆเข้ามาแตนี้ก็จิตรู้จิตรู้แจนพอรู้มากๆก็กลายเป็นจิตละครับผมร่วมักให้กิเลตัญหาออกอืมตอนนี้ก็เป็นจิตหลุดครับ งานคือละในนั้นเราละยังไงอันนี้จะเปลี่ยนเป็นการที่สุดเลยครับละไม่สุกทานมันก็ไม่ไม่ดับครับชุกทานยังไงัต้องละเพีงประเด็นดับต้องละทุกชันไม่ดับล้วชุกชันผิวะดับตามจะเป็นทีปัญญาเราเรู้เดียดียเอานังมาแก้เอานั่นมาแกไม่ได้หวือาครับไม่ดับใครับผมที่ยสอนนอกอยู่ที่จีนสงบแล้ว ที่นาเียทวาต้องต้องดูจิตข้างในเทานั้นเองนั่นะดูจิตเข้มชี้เห็ุจิตใหดับหมดแลถ้าตั้งจิตอม่งีจิตอะไรมันขาดถนงอยากดับดีจิตดับทูกร้องแต่าดับเปือยจนยานทั้งหมดนับไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเะแทรกจิตเป็นจริงก็กัเนิดตังทั้งหลายดรวยบาวิญญาณ เมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งกันอาเหตุผลเพะว่าที่แท้ติดก็แท้รู้จะมีวินญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณริ่รู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะเสนอการรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกนั้นจากสารทั้งหกดังนั้นติจของธาตุที่เกิดจึงเนื่องมาจากกแรงกระตุ้นของสภาวะที่แท้จริงเมื่อว่าบุคคลนั่นจะปฏิบัติกิจในทางเครือหรือปฏิบัติกิจทางในทางดีแล้วแต่ว่า เว่า จ, จิแลจิตจะอยู่ในอารมณ์ชินใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่ในอารมณ์ชั่วอือารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีก็เป็นลักษณะของสุชาเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเพณตรงกันข้ามฝังจิดอยู่ในใิสัยแห่งภาวะจิตแรงจิตนั่นี้งนนงคงคู่แค่ไรมีชั่วสูงตามอะไรดาว ดำเขาอะไรมีจนคู่คู่ธนสินจนคู่กันจนเนื้อเดียวกันหมดเขาแยกคู่นี้ได้แล้วกันนะตัวนั้นตัวว่าง <c oughs> ไม่ตายไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ขวาท่าไม่ไมีมมทั้งบุญทั้งบาปเหนือบุญเนือบาปเนื้อบุ น, นับบาปเนื้อสมุดเนื้อบญญัติเนื้ออานิจังถูกต้องอานาตาอเมื่อเหตุเนื้อสมุดบัญญัออออาาตาิ ทุกครั variance, market, ้งอ <So, S 3> mm. ันน you know so, ี้จังเลตาเหุผลอะไรเนี่ยมันอยู่ในโลกทั้งหมดอาศัยเวนิมอยู่ในเหตุผลมันอยู่ในโลกแยกวารไปสุตระมันอยู่ในลกอยู่เตายมรรคอยู่ในลกทั้งสกายมรรครูปภพอรูปมันอยู่ในทั้งหมดอาศุวานนะเนื้อเห็นเนื้อผลทั้งหมดเนื้อเหตุเนื้ผลทั้งหมดอันนี้เหตเนือผลมันยุ่งลปีตังโอกทั้งหมด ทยา่ธรรมะแค่นี้ก็ตัดปฏิบัติจนเปน้อยสิบปีก็ยังไม่เคได้ผลนี้เลี้ยงเป็นงอยับกระป๋อบางทีก็ท่าบางอีกนเลี้ยงถ้าผู้ที่อบรมมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ไร้ความครับพอผู้ที่ไมเคยอบรมก็อย่นึงเหมือนกันกับเปาหูใส่หูควายครับไม่ด็ีลครับไม่อะไรเป็นเาตเป็นจิตศาสตร ตอนตอนที่หลวงปู่เลิกโดนทุ่นดงนั่นหลวงปู่คงคงคงพบทางแล้วกรับถึงกลับเขมาในเมืองครับ ก, กพบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าจะได้ทำมาพูดตรงนี้กันเรื่องจากมาปฏิบัติจากเราม า, มาปฏิบัติอะไรท อ, อ่ใจอะไรามาปุ๊อย่างนี้คือที่ เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรนี่ครับพอเข้าเมืองมักจะหลุดเก่งนียิ่องอย่งะยงแรกเรียกรูปถอดด้วยฌธรรมะทีเหตุก็ต้องละผลต้องละใช้ นี่ก็หมดคนเีเกิดครับางรับทงับใจนั้นไมต้ออยู่ในนิจในคนนั้นนิจใีคนผู้ที่เกิดนี้มันหมดหมดเกิดหมดแก่หมดตหมดและไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนั้นไม่ถ้วนรวมและวมีรูปนามสองอย่างเท่านั้นงานเดิมคือคืความร่างของจักรวาลเข้าคู่กัน เป็เกิดตัววิชาเกิดเหตุก่อที่ได้มีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้นจงมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาตัวเหตุเกิดเหตุก่อตัววิชาเป็นขุดข้อเป็นข้อเพราะว่ามีรูปกับนามรวมกันมันแยออกจากกันไม่ได้ก็คือวันนั้นนั่งอยู่ที่เขบอกกับแม่เองว่า เอ่อมมีรูปรูปกระดับมันนามนามกระดับต้องดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งรูปานามครับเรารู้อย่าสัจจะยังมีอยู่ครับก็ไม่มีอะไรครับแล้จริงบอกว่าเมื่อรูปกับนามกระดับแต่ตัวเหลืออยู่นั้นเป็นอะไรนะนั่นคืออสัจจะครับ จากเกจนอยู่ลึกกว่านั้น มิตรสห d ยทุ่าุกททท่านทุกทานทุรท่านกกท่านานทุกนทุกท่านทุกท่ทุ่านานกนทุกนทุกนนกาานกาุ่าาาุทุ ข้ามเจ้าเป็นคนเป็นกุศลตามเดิมทั้งหลายโดยคาคงจิตใจเปงี่ม่ต่างนเป็นสิงเียวันแม้จะตัรูบบนี้คือควานส่ทีมีอยู่ที่ต้นแล้วมีคมงทกึลกนี่เรียนรู้เพื่อนาเ้าไสื่งคุณค่าได้ เ่อไเอป็นตหือน่าราเห็นที่เป็นคนนี้รรมดาจริงจริเปลนคนนี้มีอนอกุ่่าม่ิอา้รันทงหองเ่กคิดการเป็นหลายความจริงไม่ต้้จุดตจริง ถ้าทำานอออกมาเป็นเชว่าร้อเราจะได้็อ่ามันเปงที่มีปุ๋ยจากดูมันมีเจอะไรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่นะมีอะไรนานที่รวมเรแลวและดาน เป็นดินหดเป็นงองา่างเป่าเพราะว่าาตุทั้งสี่ทงรูปสารนั้นไม่ใช่เปนสิี่ึปนประอบกันเป็นเป็นโมเราและจุดจริงแท้นั้นไม่มีรู้จารและมีมีอาการมาหรือไม่มีอาการไปทำไมชาเป็นแท้ทังเรานั้นเป็นสิ่ ง, งนริ มันมีการสั้งต้นทุนที่การเกิดและมีาการชิมติดลงที่สาตายแต่เป็นของสิ่งเ er ดีวยว enfin ร่วนเราไ้อรู yeah ้จักวารเคลื่อนไหใดๆในสชิงลึกจริงของมันทั้งหมดทุกของรากับสิ่งต่างๆเปวนดร้องเราอย่างเดเป็นสิ่งเดียวทัน เราสามารถทำความทำความใจกันนีได้จริงเราจะด้รู้ถึงความยุ่งแย้งยุ่งแย้งทับเทียมในขณะนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องทัดเทียมในโลกแห่งความไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกเรามีฟังน้องยังให้สู่คารผูกพที่ไมเส็่นี้เพียงเราจะเป็นตัวดวงขอเราเองและสู้จากความคิดดวงแสงโดยที่เอง ในเพิ่มสิ่งเดียวกับสิ่งสูงสเราจะรู้ถึงภาวะในตอนที่มีอะไรเปล่ยนไปต่อไปนีแหละคือหลักธรรมที่ต้องหลักในฐานมื